คืนวานต่อเนื่องจนถึงเช้ามืดวันนี้นะพวกเราหลายคนทั้งพระทั้งแม่ชีแล้วก็ญาติโยมนะหลายท่านก็ได้ร่วมทำความเพียรที่สารไก่เป็นการทำความเพียรข้ามคืนนะโดย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 ตอบแทนคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็ตอบแทนคุณธรรมชาติแล้วก็มาทำต่อเนื่องนะจนกระทั่งก่อนทำวัดมุสสครูนนีเองจริงๆเนี่ยเมื่อคนเรามีอายุครบห0สิบปีมันก็ถือว่าเป็นโชคนะเพราะว่า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 เมื่อปีสองหนึ่งก็เกือบเกือบสี่สิบปีมาแล้วก็วเพื่อนอีกหลายคนนะที่เรียนมาด้วยกันก็ก็ล้มหายตายจากกันไปหลายคนนะที่เิงตัวเองนี่ก็เกือบจะตายมาครั้งหนึ่งนะตอนเหตุการณ์หกตุลาตอนนั้นคิดว่ามีโอกาสตายในสูงมากเลยเพราะว่าถูกจับที่ธรรมศาสตร์แล้วก็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 ไปตามสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ก็รู้สึกว่าเราโชคดีเนะ่เหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะตายสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีชิตมาจนถึงวันนี้ได้ก็ถือว่าเป็นโชคอย่างหนึ่งนะเป็นกำไรชีวิตเนี่ยสี่สิบปีนะเพราะว่าควรจะตายตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแล้วอันนี้พอมีอ่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 ถ้าอยากจะไปหรือถ้ามีเวลาก็เป็นโชคอีกเหมือนกันนะเพราะว่าคนที่มีอายุหกสิบแต่ว่าพิกลพิ ก, การนะเป็นนามาพึกอามาพาตนอนติดเตียงอันนี้มีอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะบองคนก็ลองล้างไตาอาทิตย์ละสองครั้งนะอันนี้เมื่อได้มีอายุถึงหกสิบนะแล้วก็ยังอยู่ในเพศบรรพชิตเนะี่ย ตอเนื่องนานถึงสามสิบสี่ปีก็เป็นโชคอีกเหมือนกันนะพู้ง่ายคือว่าการที่เพียงแค่เรามีอายุมาถึงป่านนี้เนะี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นโชคหาได้ยากแล้วเมื่อคนเราครบนะรอบวันเกิดเนี่ยในแง่อันึงก็หมายความว่าเรามีชีวิตยืนยาวอีกหนึ่งปีแต่ในเวลาเดียวกันมันก็หมายความว่าเรา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 ลองให้ไปเบิร์ตเดทเสร็จก็ขอให้ร้องเพลงอนิจจาวัตสังขาราด้วยสำคัญมากนะอนิจจาวัตสังขาราเนี่ยพาสิตเนี่ยมันเหมาะสำหรับวันเกิดนะอย่างน้อยๆเนี่ยครบรอบวันเกิดแล้วก็ต้องควรจะร้องเพลงหรือควรจะร ะ, ะลึกนะถึงพาสิตนี้อนิจจาวัตสังขารา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 อาจายวัสังขาราเนี่ยเป็นพุทธภาษิตที่เคยเป็นเหตุปัจจัยให้พระรูปหนึ่งในสัยพุทธการท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านชื่อพระมหาการการนี่หลอนลิ้นะท่านเป็นพระที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็มีคราวหนึ่งท่านก็ไปที่ป่าช้าแล้วก็มีศพ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 นะคนจํานวนหนึ่งเลยนะสมัยก่อนเนี่ยสักร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยๆ น, นะเวลาคิดถึงคําว่าอารหังเนี่ยเขาถือว่าแช่งนะก็าถือว่าไม่เป็นมงคลเลยนะถ้าคําเอ่ยคําว่าอารหังขึ้นมาหลวงพ่อปานวัดบางหนมโคเนี่ยนะทศวรรษตอนที่ท่านเป็นเด็กตัวเล็กๆอนะทั้งสี่ห้าโคเนี่ยมั้งมีคราวหนึ่งญนะาติผู้ใหญ่เนยะเป็นย่านะคุณย่า ก, กลาลังจะตาย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 คำว่าอารหังเนี่ยนะคนใกล้าตายเท่านั้นแหละหรือคนกำลงังจะตายเท่านั้นเท่านั้นแหละ ท, ที่เขาว่ากันดันมาร้องอารหังที่นี่เดี๋ยวก็จะเป็นลางลายทาให้ตายกันหมดนะคำว่าอารหังนี่หมายถึงอะไรนะก็หมายถึงพระพุทธเจ้านะเหมือนกับที่เราสวดมนสักพูเนี่ยเวลาเราจะทำพิธีกรรมอะไรก็อารหังสัมมาสัมพุทโธคนสมัยก่อนไม่รู้นะ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 หกหรือว่าถึงอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าวันหน้าเนี่ยเรามีความตายเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะอย่าอย่าหลงเพลินในอายุนะอย่าคิดว่าเราจะไม่มีวันตายอย่าหลงเพลินในความสุขนะอันนี้ไม่เฉพาะคนอายุหนะคนอายุ2 0สบนะหรือ30สหรือว่ายี่ห้า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 สำหรับบางคนเนี่ยพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยในโลกนี้มีคนประมาณแสนห้าหมื่นคนที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าในเมืองไทยในยประมาณพันหรอคนที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าส่วนจะตายเพราะสาเหตุใดก็ไม่แน่นอนอาจจะเพราะความเจ็บป่วยอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติหรือถูกฆาตกรรมก็ได้นี่คือความจริ ง, งชีวิตที่เราต้องตระหนักคราวนี้เนี่ยนอกจากอนอกจากเรื่องนี้แล้วนะก็น่าจะคิดต่อไปเมื่อตอนกลางวันนะก็มีโยมคนหนึ่งก็เขียนมาอวยพรอวยพรสามประการ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 เราก็จะเบื่อก็ได้รถราคาแพงสิบล้านยี่สิบล้านแม้มันจะไม่เสียเลยนะแต่ว่าพอใช้ไปสักปีสองปีก็เบือเบ่อแล้วอยากได้รถคันใหม่ถ้ามีปัญญาหาซื้อมันก็ต้องไปหามาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรานะขมาถึงภาวะที่หมดเนือหมดตัวคือว่ามันไม่มีตัวกูของกูนี่ก็ถือว่าเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ผุดไม่ไม่ผุ ด, ไ ม, ไ, มผดไม่เกิดคือว่า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 วันสงกรานนี้ก็จะมีลูกหลานมาอวยพรลูกหลานก็จะอวยพรคอยมีอายุยืนนะคอยมียืนไปเป็นร้อยปีคุณยายเนี่ยบอกเลยโอวยไม่ไหวแล้วหลานเอ้ยอุตส่าห์เพอรับพรนะมาหลายปีจนอายุ ย, ยืนถึงป่านนี้เนี่ยมันมีแต่ทุกอย่างเดียวเลยนะต่อไปนี้ไม่ขอรับพรนี้แล้วล่ะ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 ละวางปล่อยวางความยึดมั่นนะในตัวตนหรือว่าทำให้เราเได้มีความเจริญงอกงามในธรรมนะอันนี้พูดแบบ ร, มรวมๆอีกอันหนึ่งที่น่าจะน่าจ ะ, น, าจะน่าจะลองพิจารณานะเวลาวันเกิดเราก็มักจะอวยพรว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะแต่ที่จริงมันมีความอวยพอรอนหนึ่งที่ดีกว่านะ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 เพราะฉะนั้นเนี่ยมวญงิยของมง่ของอันที่ส่งหรือผลนะที่ได้นี่แฮปปี้เดเดย์นี่มันดีกว่าเยอะเลยนะแล้วก็และถ้าไม่แฮปปี้เดเดย์นะโอ้มันทรมานมากอย่างที่ตมาบอกนะถ้ามันเกิดเราไม่แฮปปี้เนี่ยมันก็อาจจะแค่เซ็งนะเบือ่อหรือเฉยเฉยแต่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 มาได้เลยรู้สิ่งนี้นะก็ถือว่าได้เปรียบแลถึงเวลาที่ถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องนะถึงเวลาที่เราจะต้องลาจากโลกนี้ไปเราก็ไปสบายนะ Happy Day Day ก็สามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้